คนเย็นเราลดทําซ่กันฟังเรื่องของธรรมะเรคือเรื่องของชีวิตจิตใจของเรานี่แหละชีวิตจิตใจของเราประกอบไปด้วยของสองอย่างใหญ่ใหญ่คือกายกับใจคือโลกกับนามเรื่องของโลกก็นีนมากเรื่องของน้ำก็มีมาก พเราไม่ดูไมศึกษาไม่จะผานหลงไปหลายอย่างําไมาเกิดความโกรธความโลกความหลงความุขความทุกความักความชังเรารวมก็เป็นเรื่องของศาสนาเึ็นเคล่องดับทุกข์ลดทนกข์กายมันก็หลอกใจมันก็หลอก บอกของการเลมากผมได้พูดเป็นภาษาง่ายๆว่าไม่ต้องไปเลือกว่าเวท น, นาไม่ต้องไปเลือกว่าสุขว่าทุกข์เลืกอกมันว่าอาการเท่านั้นก็พอแล้วความร้นความหนาวความนียวคนาปวดความง่ายมันเป็นอาการ อาการของกายบางคีมันมีประโยชน์มันเป็นธรรมชาติมันเป็ น, ส, น, ปนสัญญาณภัยหนูมีภัยจะเกิดขึ้นกับกายตายมันก็บอก่า ม, มันบอกแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันแสดงออกให้ถูกต้อง มันก็พอแล้วอย่าไปให้เป็นสองต่ออย่าไปเป็นถึงเรื่องของใจเป็นสุขเป็นทุกข์หรือบางทีกลายเป็นอะไรต่างๆเป็นกิเลสตัณห า, า, า, าเป็นวัตถุที่หนึ่งที่สองที่สามไปไม่รกมาเรื่อาเียกัน ให้ได้คาตอบซะ <c oughs> ฉเฉลยให้มันได้ซะมันจะได้จบไปตลอดพบตลอดชาติแล้วก็จบครา้งเดียวตอบครั้งเดียวก็ตอบได้ทั้งหมดเรามีนเดียวเท่านั้นกายท่ันก็มี วัตถุที่ทําให้เกิดการมคุณมีตามีหูมีจมูกมีลูกมีรถมีกินมีเสียงมีกายมีใจนั่ะมันจะต่อให้เราหลงแล้วเราก็อยาหลงอยากให้มันหลอกได้ในสติคอยดูแลมันอยู่นี่หนึ่งของใจก็เช่นเดียวกันบางทีใจมันหลอกนะ ม, มีธรรมอย่างหของใจเนี่ยถ้าจะตอบมาง่าย ก, มมก็มีธรรมที่เป็นกุศลมีธรรมที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นกับกิตใจความโลภความโกรธความหลงเป็นอกุศลความรู้สึกควระลึกได้ความมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นกุศล บางทีมันมีความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจก็อย่าเป็นหลงมีความรู้มีความไม่รู้มีความลงชั่นอะไรก็อยากไปหลงสิ่งเหล่านี้มันก็ยังไม่พอยังมีสมมุติตั้งก่อกาะตัวขึ้นจากสมมุติสมมุติเนี่ยมันเอาของสองอย่างารวมกันเอารูปเอานามเอากายเอาใจมารวมกัน เห็นตาเห็นลูก <c oughs> ก็ก่อ้เกิดสมมุติบัญญัติหูได้ยินเสียงก็ให้เกิดสมมติบัญญัติจมกูกได้กลิ่นลิ่นได้รสกายสัมผัสจิตใจมันคิดขึ้นมามันมันตอไปให้เกิดสมมุติบัญญัติก๋อยตัวตรงนี้ก็มีสมมติบั ญ, ญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบว่าสุขว่าทุกข์ เราก็ต้องลูมันมันจะสลับซับซ้อนถึงไหนเราก็ลูมันสมนมตปัญญัต์นี่มีมากด้วยเป็นลูกก็มีเป็นน้มก็มีเป็นลูกที่จับต้องได้ก็มีเป็นน้ำที่ผุดเกิดเรียกว่าโอปปาติกะเกิดผุดขึ้น ุ๊ทันทีตายไปก็ตายไปปุ๊บทันทีไม่มีซากศพสมมุติบัญญตัติสมมุติบัญญยัดนี่หลายอย่างบันทีสมมุติเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์สมมติเป็นเรื่องกลัวสมมุติเป็นเรื่องกล้าสมมุติเป็นเรื่องชอบไม่ชอบสารพัดอย่างไปเชื่อไปหลงสมมุติบัญญัติก็ให้เกิดความหลง เรื่องความหลงมันเกิดขึ้นลอยๆมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างหลายซับซ้อนแล้วก็สมรติบัญยทธเราก็ไม่พอหรือการสัมผัสมันนียมันเป็นอาการเป็นวัตถุวัตถุเป็นอาการใน้แต่กิจใจเนะี่ยมันก็เป็นวัตถุเมื่อมันคิดขึ้นมาเป็นวัตถุ การสัมผัสแต่ความคิดวัตถุมันก็เกิดอาการอาการที่มันสัมผัสบาทีมันก็มีลดอยู่ในการสัมผัสความคิดเฉยๆก็มีลดลดในความคิดความโกรธก็มีลดความโลภความหลงความรักความชังความสุขความทุกข์มันก็มีลดเราต้องต้องอย่าให้มันหลอก แต่ขี้หน้มันเอาขี้เอาขี้เอานี่คือสมมุตินี่คืออาการนี่คือบัญญัตินี่คือวัตถุนี่คืออาการให้มันตรงๆอย่าให้มันเป็นรุ่นเป็นก้อนตามันให้มีผู้ดูผู้เห็นเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง มันก็ใหญ่โตตดยพ่ะส ม, มุิปัญญิเนี่ยมันต่อจากการสัมผัสบางทีไม่ไม่ต่ม่ไม่ได้ต่อจากการสัมผัสมันเกิดขึ้นมาเอ ง, เองอมัดำดินมันบินบนมาก็มี้สมมุิปัญญาเราจะไปลง บาทีมันปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันสุขรู้อนุ่นรู้ อ, น น, อนนี่มันก็เป็นของจริงสิ่งที่เรารู้มันก็มีความสุขไม่เคยพบเคยเห็นใจิตใจมันดีมีปัญญาด้วย <c oughs> คิดอะไรทะลุถูกตรงําไปบางวางอารมณ์ถึงก็ไม่อยากหลับไม่อยากนอนถึงก็ไม่อยากกินข้าว ถ้าไปอยู่คนเดียวในโลกนในโลกนี่ถ้ามีคนเดียวจริงจริงจะมีความสุขความสุขเขาวิเวกมันมีความสุขก็จะเป็นหลงมันความสุขที่เกิดจากการวิเวกกายวิเวกจิตตวิเวก การมันเกิดจากอุปทิวเวกมันไม่ปฏิเสธอะไรหรอกอุปทิวเวกคือการสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงอันนี้มันจะอยู่ตรงไหนก็ได้ที่รุ่งที่ตอนที่ป่าที่บ้านที่ไรก็ได้แนวไฟลอน้มเพลเทียนเคยท่วงนะไะอารมณ์ เราลูถอนอารมณ์สมุิปัญญาต้าถึงปรมััชสัจจะเห็นสินเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นกุศลเห็น อ, อกุศลกรุบท่วนยงตัวทุกอย่างเรื่องของชีวิตน่ะมก็มีความสุขเปิดความสุข เอหลวงพ่อเทียนวโอ้ในชาตินี้ผมไม่มีทุกข์แล้วหลวงพ่ออวยบาดแน่นในชาตินี้จะมีกีนาทีกีวณธิขีวันกีเดอนีน่เราคงทุกข์นะนี่สุขหาคนทุกข์กกไม่เห็นหรอกนีสุขหลวพ่อเทียนว่าอยากไปเอาสุขอยาไปเอาสุขไม่เห็นมันไม่เห็นมันหงุดหงิดอะไรโอเค พุทธาปฏิบัตนมาตั้งนานกว่าจะมาเข้าถึงสภาพอ่างนี้ทำไมหลงวงพ่อเทียนไม่ให้เอาความโศกควเรื่องของคนปรารถนาลักสุกก็เกลียดทุกข์พมันเกิดผลเกิดความสุกขึ้นมาหลงวงพ่อเทียนมาบอกอย่าไปเอาอย่าไปเอาความสุกไม่เห็นมันมันโุกให้เห็นมั น, มน ูถ้าเราความสูงก็หยุดเท่นั้นแหละมัน ไ, มไปถึงไหนดอกแล้วเมื่อ ม, มีความสูงก็ต้องมีความทุกข์กู้กันที น, นี้จะรลดได้หรือที่แรกก็ตกใจเป็นงงงงนอนไก่ตาแตกคิดเสียดายเสียดายความสุขเพราะว่าช่วงแต่ก่อนเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์ พอมาลูบมาถอนอะไรออกมันเกิดความสุกมันเบากายเรหดตาจิตเรหดตาเบากายเบากิจในุ๋ยมือของเราทํามาเองจนยกย่างตัวเองจนยกมือไหวตัวเองโอ้เราก็าทำอะไรแค่นี้มาก่อนผ่อมขาแล้วอหลวงปู่เทียนหลวงตุเตียนมาบอก แต่เราสุขดูมันมันสุกก็เห็นมันทุกก็เห็นอะไรในโลกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายจิตใจนี่ไม่ได้เห็นมันแ ต, พนตพนน่พูดต่พูน่ะพอมาจับไม่ได้อีกโอ้ยแบบ น, นี้พอว่าอะไรอะไรก็เห็นมันสรุปได้ทันทีแลวมัน มันอยู่ตรงที่ดูนี่เองล่ะบัดเนี้ยทาว่าที่ดูนี่แหละตัวเพชรแข่งทำละะ่ะบัดไหนท่าว่าแข็งก็แข็งเหมือนเพชรถ้าว่าอ่อนก็อ่อนเหมือนไหมดูมันมันก็ไม่มีอะไรหลอกได้ชีวิตอยู่ในกำมือเราเราเคยบอก คนหลายคนเขากําล <nut advisory> the ังโกรธเขาลังทุกข์เขากําลังใส่ใจเรื่องในเรื่องหนึ่งอยู่ไปดูวัดที่เขาไปดูที่ที่เขามอบให้ที่ระยองเขาพาก็เดินบุกป่าบุกลงไปพาป่าโคลงไปอ่ลุ่มภูเขาลู่นนี่มันเป็นยังไงเขียดเต็มตรงไหนล้มบุกไปมันที่ไปด้วยกับโกรธไม่รู้ว่าภาพบุกอะไรไปเดินไปอะไร แล้วก็เท่านี้แหละท้างบนทั้งเดินไปแล้วก็บวกไปเรื่อยๆเดินบวกป่าไปเรื่อยๆคนที่ไปด้วยก็บน่นบ่นไม่บน่นเฉอๆกับแรงถึงความโกรธความไม่พอใจเขาก็บอกว่ า, วาดูมันดูมันไปเชื่อมันไปนี้แหละไปสบายสบายไปต้องคิดั้งเดินั้องบวกป่าไม่ได้หรอกไปเรื่อยๆ นั่นแหละป่าไม่นั่นแหละป่าสันเลนนั่นแหลนละไปถึงนั่นแหละพวกเราอย่ไปเชื่อมันอาการมันเท่านั้นแหละจะเกิดยากก็เป็นอาการมันจะเกิดอะไรก็เป็นอาการเท่านั้นนะมันมยากไม่ใช่ง่ายหรอกการหนุก ป, ป่าไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากเป็นจิตยอาการของการเชื้ชีวชิตบางฉากบางโมง่แล้วก็หยุดบน่น เราก็หยุดบ่นพุ่งพอมพุ่พอมกระเดินไปพอพ่อนไปเราเขาก็บอกว่าโอ้หลวงพ่อทักท่วงะได้ผลจริงจริงดูแล้วมันก็เป็นอาการเฉยเฉยมันกําลังจะทุกมันกําลังจะโกรธพอหลวงพ่อทักท่วงนะี่ยโอ้มันร่วงไลยพะมันก็เขายิงลูกร่วงปุ๊บพงเด่น อย่งางตนนานเขาก็ใหลักเหมือนการติดตามปฏิบัติอันนี้ที่ที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่หันหลังใส่อะไรทั้งหมดมันหันหน้าท่านสายตาทั้งหมดเพราะว่าที่ดูเนี่ยไม่ปฏิเสธเรื่องใดเล ย, เลยสิ่งไหนที่เกิดึ้นกับกายกับใจโลกหมดโลกครบปรูกทุน โน้หมอดถ้ามันเป็นสูตรมันก็เป็นสูตรอย่างที่พูดจุดประจำนี่แหละมันมีรูปประธรรมมันมีนามธรรมมีรูปธรรมีนามธรรมเนี่ยที่เรายกมือเนี่ยมันเป็นรูปธรรมมันเป็นนามธรรมธรรมทอทอสลามธรรมทอโลทอทองล้อเรือโมมาล้อเรือสองตัวโมมาเดี๋ยวตรงนี้ละรูปธรรมนามธรรม มันทำดีมันทำชั่วธรร ม, มาชาติโลกทุกน้ำทุกเก็อยู่นี้แหละโลกโลกตามโลกโลกสมมุติน้ำสมมุดเนี่ยเราทำกรรมบัญญัติรัตถุอาการลรำมัดมันก็มีเท่านี้แหละทางมันไปเท่านี้แหละ อ่านตรงนี้ทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่คลองแวะไม่มากลูกมันทําดีทําดีทําอะไรมีสติลูกมันทําชั่วมันขาดสตินา ม, มันทําดีมันคิดดีสรวมระวังนา ม, มันทําชั่วมันคิดชั่วบางทีลูกกับนา ม, มันรวมกันทําดีทําชั่วทำบางอย่างมันครอบนาม วันเราทำมันครอบงำจินสมาธิปัญญามันเปิดเผยบางทีอาจทํมมันครอบงาบางทีธรมมันครอบงาบุดรสนดอกตุตรสนก็มันก็มีแต่รูปธรรมนามธรรมนั่นแหละอาจจะมองเช่นควา ม, มง่วงเหงาหอนจะมันเกิดขึ้นกับกายกับใจเอทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจกับรูป อะไรมันครอบงาํอาอธรรมหรือธรรมมันครอบงาําอ่อธรรมมันครอบงา ม, มันก็เป็นฝ่ายกุศล ม, มันทํงงาให้โง่หลงลมง่ายไปแต่ธรรมที่เป็นกุศลมีศีลมีสติมีศีลมีสมสาธิมีปัญญามันก็ดีหน่อยแต่ว่าอย่าไปติดศีล <c oughs> เนี่ก็ใช่ให้เพื่อเป็นทางหลุดพ้นมันก็ จงมือทำไมอ่อพ้นภัยได้แล้วก็ศึกษาไปเนี่ยดูไปเห็นไปแล้วก็วิธีทําก็อย่าไปรีดตัวเองเกินเกินไปคอยดักดูมันไปไม่ต้องลุกลี้ลุกลนอะไรผ่านมาเห็นชัดชัด เราศึกษาบางมันพลาดโอกาสนะเก็นความหลงเน่ยพลาดหลายครั้งหลายคราวถ้าเราไม่พลาดความหลงก็มีปัญญาตรงนั้นก็นี่ความหลงทำาเกิดปัญญาก็มีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราก็พลาดใช่ไมไ่ได้ดูไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ทําให้แจ้ง ความหลงก็ยังไม่ชัดเจนหลงจากกายหลงจากจิตบางทีมหลงจากความคิดเนี่ยมันก็ไม่ชัดเห็นความหลงไม่ชัดเจนความหลงก็หลอกได้อีกนีก่เราจับผู้ร้ายเนี่ยจัรส่งศิลจันทร์นหนุ่มจับ ขโมยมารักของได้ถ้าปล่อยไปเฉยๆมันก็ลอยแพเราจับได้ก็จับไปเข้าคุกออกจกคุกมาก็มาลักอีกจับวันนี้กเขาไม่เข้าคุกก็เลียกชาว บ, บ้านมาไปชุมกันเอามาพูดกันเอาลูกมันมาด้วยให้ลูกมันพูดด้วยมันมีความรู้สึกยังไง ลูกก็บอกว่าไม่อยากให้ใครเรียกพ่อมันว่าเป็นขโมยอยากมันก็อยากเห็นพ่อมันเป็นคนธรรมดากับชาวบ้านถ้าใครเรียกพา่าเป็นขโมยขโมยมันก็ไม่พอใจเขาเขาก็บอกเขาเขาพูดว่าไม่อยากให้พ่อเป็นขโมยชาวบ้านก็พูดเป็นอันเดียวกันลู่แล้วว่าเขาเป็นคนอย่างนี้แล้วว่าเอาสังคมมาทะเลล้อมกัน ให้สังคมเป็นคนดีไม่ใช่ให้ตำรวจไม่ใช่ให้ทหารเป็นคนดีมีอำนาจเอาสังคมมามีอำนาจลองดูเอาชนคนเนี่ยมาหล่อมาล้อนกันให้เขารู้ว่ามันเป็นขโมยจริงๆหลายครั้งหลายคราวแล้วอลนลักขโมยสวนวัดป่าสกโตเดือดร้อนเนี่ยที่นี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงตอนตรงเ <c oughs> อ้นเวียดเวีย อ่าเนี่ยๆอยู่นนะอืาเน่ยถ้าเราถ้าเราฉลาดมันก็กลายเป็นประโยชน์ไม่ใช่เราเด่นคนเดียวในตารวจเามีกฎหมายอ่าเพาเขาเล่าอ่าอะไรที่เรา้วยเช่วยกันที่จอสร่อยกรุงเทพตอนมีนายแพทย์คนหนึ่งอยู่ที่คนเกน <c oughs> พอเจอคนไข้ที่เป็นหัวใจเป็นโรคหัวใจแต่ว่าต้องซื้อ <c oughs> คือเรานหมอซื้อหอัวใจเลยนะตัวหกเมินนี่เด็คนป่วยสองคนนี่เขาก็ไม่มีเงินเขาก็รอวันตายเฉยๆนายแพทย์ก็รู้เลิศดวิชาการตรวจพบแน่นอน แต่านาแพทย์คนนั้นเขาก็ไม่ยอมเชื่เขาก็โทรไปบอกอาจใจเสีร้อยประกาศให้เดือนให้นอ้อยเพาเดี๋ยวนี้มีคนป่วยสองคนที่เป็นโรคหัวใจกำลังจะตายอยู่จะต้องสู้หัวใจลื่นหัวใจมาตั้งหกหมืนสองันก็แสนสองมีใครพอมีศรัทธาไหมไอช่วยคนเผื่อชีวิตของคนสองคนได้ไหม ไปจราซอยเขาก็ประกาศไเจาราซอยประกาศก็มีคนบริจาค ก, กันเพียบเลยทีเดียวก็โทรมาให้หาหมอให้หมอพาตัดเลยเลยเอาเลื่อนหัวใจไปใส่เลยให้คนรน่วมกันช่วยร่วมด้วยช่วยกันแล้วในสังคมไม่ใช่เลิอในวิชาการอย่างเดียวอันนี้ นี่นี่แหละเห็นความบกพ่องลนลอ ง, ลองดูใ้ตัวเราเนี่ยลองลองดูเอามาเห็นจริงจริงสักทีหนึง่งความหลงความโกรธมันเนี่ยความทุกข์มเนี่ยเอามาเบด็ดูเอามาดูให้เห็นชัดๆตัวเออย่าปฏิเสธมันเลยทีเดียวเอามาดู ฮิมโดโนี่หรือตรมหลงนี่หรือความทุกข์นี่เดี๋ยวควา ม, มงวงมองมนอนมาแล้วทำดูดีๆสิทำดูดีๆทำใจสบายๆแม่บางทีมันพูดกัหมดก็ได้นะเอางี้เขาจะให้แม่อยู่นี่ใหม่ๆนี่ก่อนจะถวายที่ให้เขาชมเอา เราไปดูไปดูที่ที่เขาจะให้แล้วก็มีสาลาหลังเล็กๆแล้วก็ไปนอนอยู่ตรงนั้นพอนอนลงเนี่ยโอ้ยมดมันมากัดเอาไปใช้ดลหลมกัดแย่งกันกัดหลุมๆๆมหล ม, ลมก็ดูมันจริงจริงโอ้ยมดเด้เจ้า ก, ก็เตัว น, น้อยนอะ ใช่หลวงพ่อจะขายเจ้าเพียงเอาเมื่อโลมไปมาันตายเป็นร้อยเป็นพันแต่เราพอขายเจ้ายังมาเปลีย น, นกันพูดก็บมดลงเลยมันอย่าให้มันถี่กันไปให้มันห่างๆโล ด, ดีๆบางทีมดกัดก็ทกุกข์อะโกรธให้หมดกลาเป็นบาปอะไรนี่เราก็พูดก็บมดลงเลยมดเจ้ามดได้เจ้าก็ตัวเล็กๆแต่ ให้เราจะค่าเจ้าเนี่ยทำไมลูกไปแป๊บเดีตายไปเลอยๆกองกันเลยเนี่ยแต่ละไม่ค่ามากัดกันทําไมว่าอย่างนี้เลยสิมันจะมีทำตรงนั้นก็ได้จะมีเมตตาเกิดขึ้นตรงนั้นก็ได้จะมีปัญญาตรงนั้นก็ได้แล้วก็นอนต่อไปมันก็ดีแล้วก็ใส่ใจไี่ดีไปดีกว่าพายไปเลยนะถ้าเรามีเมตตาจริง อะไรก็เ อ, เอาความหลงออกหน้าออกตาเอาอาลมออกหน้าออกตาไม่ใช่สติปัญญาใช่ความนุ่มนวลของคนคิดอ่านอย่าไปคิดแบบหักตะลักหักทลังกระทบกระเทือนอย่าไปโกรธให้มดด้วยก็มีแล้วมันมีประโยชน์อรที่จะไปโกรธใั้งมดไม่รู้เรื่องอะไรอืม ม, ม, มมันมีองกมากไปก็ ลามัดกัดคือเสยกัโกรธแล้วก็ทุกข์ด้วยต้องฉลาดัะหน่อยดูเนี่ยการปฏิบัติทำอย่าลุกลือลุกลนอย่าเพื่อเอาอย่าเดื่อืดนทำให้มันชัดเจนกับเรื่องใดๆบางทีทาไปทำไปยกมือไปยกมือไปมันลง มันยกเงินไปยกเงิไปมันรู้เอาตัวดูไม่อยู่มันหลงก็ดูมันอยู่นี่แหละมันรู้ก็อยู่ดูมันอยู่นี่แหละเราจะดูมันอยู่นี่ทําอย่างนี้ปฏิบัติทำมันจะเห็นอะไรชัดเจนดีๆเราก็ได้บทเรียนที่แน่ยนยําดีกว่าที่จะไปลูกลี้ลุกลนการปฏิบัติธรรมนะ โดยพอกานเจริญสติโดยจะพาแบบการเคลื่อนไหวนี่มันเปิดเผยเอาอไงมองไปข้างเดียวมันมีตารอบมันมีหน้าลอบทันทีอะไรจะมาใี้เรานั่งอยู่นี่เราพูดอยู่นี่บางทีเสียงน้งข้างป้องลมองดีกว่ามันดนตีถ้ามองไม่ดีกว่ามันก็บอกโอ้ลำคาญ เฉียงอะไรชซ่ซ่าลังทางเมื่อกี้นี่โอ้เฉียงอะไรไม่เป็นไรนะแต่ไปไปประโยชน์ฝ่ามหาญาณเคยปรยชนวัดฝ่ายมหาญาณอาทีสวดมันเคาะเคาะด้วยก็กกไปด้วยนะแล้วก็เขาได้อยู่สวรรค์บันทีไปสวดศุกเนี่ยปนเปื้ยเขาไปสวอดอ่ะเวลาเราสวดเขาจะไปเคาะขอให้ ไม่แต่กาบรองเนี่ยกาบงฟ้าก็จะตีลระขังพ่งกาบกังดีสองก็ตีเฮิ่กาบฟังดีสามก็ตีเฮ้ยเคยเห็นตีอ่มันก็เป็นดนตรีเสียงเนี่ยเป็นดนตรีแตไปรำคาญอะไยง่ายกันไปไปสวดศพที่วัดตันเนี่ยไม่ใช่ศพหอก คนวยเนเลงใกล้จะตายลนนเลยหายใจแงบๆอการสวดของเขาก็ไม่สเมโตมโตโเาว่าเป็นทานองนะ า, าคนปวยได้ยินเสียงอมิตรพุทธเพูดมโตโมโมต โ, ม โ, ตโถ้าคนตวยจิตองเขาฟังมีโตโเขาจะตายไปอยู่กับพระมิตพุทธเอาไวข้างเตียงสวด ถ้าเข้าสวดออกแล้วเราก็เข้าไปสวดเราก็เข้าไปสวดสติสังฆานิกาสังขารเกิดร่างกายจิตใจคุณเยอะี่นะไปดูกันในเราสนะิไปสวดที่นั่นนะสังขารเกิดร่างกายจิตใจและรูปทางนามท ำ, ทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดเพิ่มแล้วดับไปไมีแล้วหายไปเขายังไม่ตีเกาะใช้อยู่นะเราไปสวดกัน เรก็ก็ใ่ให้เราอยู่อันนี้เสียงง่าขมข้างตกเน่ยถ้าจะเปรียบมันขอก็ได้อวเรก็เ่าเปรีลำคาญทั้งหมดดูดีมันจะมีปัญญาไม่ต้งไม่ยากอะไรต้องมีสตินะมันงน่ายจริงๆมันสะดวกอืมนีม่ปฏิเสธเรื่องใดไม่ต้องไู้หลับหูบหลับตา ไอ้ต่องนนั่งจนตัวแข็งที่เอาเราจะนั่งในยปชั่วโมงไอ้ต้องดอกสลับฉากไปเรื่อยๆฉากไหนมันไม่ชัดเจนเปลี่ยนไปเลยนั่งอยู่มันมงง่งซึมๆจนลูกขึ้นเดินไปเทคนิคหลายอย่างหามาจะไปจนหาทางพบทางให้ได้เลาะแยะทางออกโดยเฉพาะการจเจริญสติปัฏฐาน ยืนเดินนั่งนอ น, ย, นอยื้อคู่เยียดเพื่อนไหวหาลงไปหายใจแรงแรงลงดูหยุดพักหายใจแรงแรงเรง <c oughs> นี่สลับฉากเหมือนมัดมวยเขาต่อยเหมือนเขาเล่นกีฬาหาฉากไหนไอะบอลทับหน้าทับหลังจบวิ่งจนไงจะ ด, ดับตรงไหนห้องทือไม่มีสูตรสำเร็จเขาจับตรงคุา ของเขาไปเลยเขาเป็นนักกีฬาคนต่อยมื น, นี่วิชามวยของเขาอา จ, จะไม่สอนทั้งหมดไตอเขาเทคนิคของเขาสลับฉากเป็นในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมันวิเศษจริงๆการสร้างจังหวะเนี่ยหลายฉากนะ เ, เราถูกทางไป ล, ละอย่าไปคิดอะไร แล้วก็อบฝนจะมีฝนมิดๆมากมายอันนี้เราพ่อก็จะไ้ไปทามาไปอ่ะกระตีมันร่วเอาอาญาแบกมุงอ่ะพอหน้าฝนซู่ซู่เขารั่วเล้หลวงพ่อไม่ามาอยู่ฝนตกมาของเปียบหมดเาจะไปทำกระติสักวันสองวันนะ